ปายัตนาโมลกระในร้อยห้าสิบปอนุรูปลายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับมนายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังปรินิพพานในสุดท่าวาสภูมิและบุคคลผู้กําลังจุติจากอาศัยสัตตภูมิรูปลายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับแต่มนายัตนะไม่เคยดับ บุคคลนอกนี ok ้ i, ผู้กําลังจุติจากปัญจโวการภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่าน er ั้นในภูมินั้นกําลังดับและมนายตนะก็เคยดับปฏิมนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับ แต่รูปายตนะไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจะวการภูมิมานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและรูปายตนะก็กำลังดับอนุรูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับทำนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในสุดทาวาสภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับ แต่ธรรมยตนะไม่เคยดับบุคคลนอกนี้ผู้มีรูปเกิดได้กําลังจุติรูปายนตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับและธรรมยตนะก็เคยดับปฏิธรรมยตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับรูปายนตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติและบุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กําลังจุติ ธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่รูปายตนะไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้มีรูปเกิดได้กำเนินจุติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและรูปายตนะก็กำลังดับรูปายตนะมูลกะในจบมนายตนะมูลกะในร้อยห้าเก้าอนุมนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับ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 จักกายตนะมูลกะในร้อยหกสอนุจักกายตนะของบุคคลใดไม่เช่กับำลังดับโสตายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิเคยดับปฏิโสตายตนะของบุคคลใดไม่เคยดับจักกายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กับำลังดับมีไหมวิไม่มีอนุจักกายตนะของบุคคลใดไม่เช่กับำลังดับคานายตนะ รูปายตนะมนณยา ย, να, ายตนะธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิเคยดับปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดไม่เคยดับจากขายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับมีไหมวิไม่มีอนุคานายตนะรูปายตนะอนุมนยายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหม วิเคยดับปฏิถ้ามายตนะของบุคคลใดไม่เคยดับมนายาตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับมีไหมวิไม่มีจากข้ายัตนะมูลกะในจกปัจจนิยกะโอกาสจากข้ายัตนะมูลกะในร้อยหกสิบเอ็ดอนุจักข้ายัตนะในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับและถึงปัจจนิกะปุขะโอกาส จากคายตนะมูลกะในร้ออนุจากคายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับโสตายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวกาลภูมิและบุคคลผู้มีจักขูกเกิดไม่ได้กำลังจุติจากกามวจรภูมิจากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับแต่โสตายตนะไม่ใช่ไม่เคยดับ บุคคลผู้กำหลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศนิสสตภูมิและอรูปภูมิจากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับและโสตายตนะก็ไม่เคยดับปฏิโสตายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับจากขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังปริณิพันในสุทธาวาสภูมิ สโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่จักรายตนะไม่ใช่ไม่กำลังดับบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทาวาสภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิและรูปภูมิโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและจักขายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับอุจักรายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับ คาณายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังอุบัติในกาลมาวจรภูมิและบุคคลผู้มีจักรขึเกิดไม่ได้กําลังจุติจากกาลมาวจรภูมิจากขายาัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับแต่คาณาจัตนะไม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กําลังอุบัติในรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญิสสัตตภูมิและอรูปภูมิ จากคายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับและคานายตนะก็ไม่เคยดับปฏ bon. ิคานายตนะ ข, ของบุคคลใดในภูมิใดายไม่เคยดับจากขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม bon. ่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่จากคายตนะไม่ใช่ไม่กำลังดับ บุคคลผู้กำลังอุบัติในรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิและอรูปภูมิขานายทะเของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและจักขายทะเนก็ไม่ใช่กำลังดับ อ, อนุจักขายทะเของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับรูปายทะเของบุคคลใดในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิ บุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้กำลังจุติจากกามาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิจากกายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับแต่รูปายตนะไม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปภูมิจากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับและรูปายตนะก็ไม่เคยดับปฏิ รูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเมื่อเคยดับจากขายายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังปฏิิพานในสุทธาวาสภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่จากขายายตนะไม่ใช่ไม่กำลังดับบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปาวจรภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับ และจากขายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับอนุจากขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิบุคคลผู้มีจกักหผเกิดไม่ได้กำลังจุติจากกรารวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิจากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับ แต่มนายัตนะไม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตภูมิจากขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับและมนายัตนะก็ไม่เคยดับปฏิมนายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับจากขายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิ มนายตระของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่จักรยานตระไม่ใช่ไม่กำลังดับบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุดท้าว่ายสภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตภูมิมนายตระของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและจักรยานตระก็ไม่ใช่กำลังดับอนุจักรยานตระของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับธรรมยตระของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหม วิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติและบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้กำลังจุติจากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับแต่ธรรมายตนะไม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทาวาสภูมิจากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับและธรรมายตนะก็ไม่เคยดับปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับ จักขายยตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในสุทาวาสภูมิทำมายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่จักรายยตนะไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทาวาสภูมิทำมายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและจักขายยตนะไม่ใช่กำลังดับจักรายยตนะมูลกะในจบ คานายตนณะมูลกะใน163สอนุคานายตนณะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับรูปายตนณะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในการมวจรภูมิบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังจุติจากการมวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับ แต่รูปายตนะไม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้อุปบตอยู่ในสุทธาวาสภูมิและอรูปภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับและรูปายตนะก็ไม่เคยดับปฏิรูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิใช่อนุ คานายตะณะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับมนายตะณะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในการาวจรภูมิบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังจุติจากการาวจรภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิคานายตะณะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับแต่มนายตะณะไม่ใช่ไม่เคยดับ บุคคลผู้อุบบติอยู่ในสุทาวาสภูมิและอสศร ย, ศยสัตตภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับและมนายตนะก็ไม่เคยดับปฏิมนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นกไนานาไนไ็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิใช่อนุคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับ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 ทำนายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับคานายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิใช่คานายัตนามูลกะในจบรูปลายัตนามูลกะในร้อหกสิบสี่อนุรูปลายัตนาของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับมานายัตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิ บุคคลผู้กำลังอุบัติในเปิรจวัวการภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับแต่มนายัตนะไม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิและอสัญญัตตภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับและมนายัตนะก็ไม่เคยดับปฏิมนายัยตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับ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 บุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทาวาสภูมิทำมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและรูปรายตนะก็ไม่ใช่กําลังดับร้อหสิสอนุมานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังดับทำมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติและบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กําลังจุติ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 บุคคลผู้กำลังปรินิพานในสุทาวาสภูมิทำมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่มัญายตนะไม่ใช่มกำลังดับบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทาวาสภูมิทำมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและมนญายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับ จุบันนาคนาคตะวาระว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคลจากคายยตนะมูลกะในร6ออนุจากคายยตนะของบุคคลใดกําลังดับโสตายตนาของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในอรูปภพ และปรินิพานซึ่งกาลังจุติจากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่โสตายตนะไม่ใช่จากดับบุคคลนอกนี้ผู้มีจักขุเกิดได้กำลังจุติจากขายาตนะของบุคคลเหล่านั้นกาลังดับและโสตายตนะก็จากดับปฏิโสตายตนะของบุคคลใดจากดับจากขายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลทั้งหลายผู้กำลังอุบัติ และบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้กำลังจุติโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่จักขายายตนะไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้มีจักขู่เกิดได้กำลังจุติโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับและจักขายายตนะก็กำลังดับอนุจักขายาตนะของบุคคลใดกำลังดับขานายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิ บุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจวโารภูมิและบุคคลเหล่าใดจกอุบัติในรูปราวจรภูมิและอรูปราวจรภูมิและประินิพานซึ่งกาลังจุติจากขายยตนณะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่คานายะตนณะไม่ใช่จากดับบุคคลนอกนี้ผู้มีจกักขุเกิดได้กำลังจุติจากขายยตนณะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและขานยตนะก็จากดับปฏิ คาในายตนะของบุคคลใดละถึงอนุจากขายตณะของบุคคลใดกำลังดับรูปายตณะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังปริิพานในปัญจวัการาภภูมิและบุคคลเหล่าใดจากอุบัตในอรูปภูมิและปริิพานซึ่งกำลังจุติจากคายตณะของบุคคลเหล่านั้นกาลังดับแต่รูปายตนะไม่ใช่จักดับ บุคคลนอกนี้ผู้มีจักผุูเกิดได้กำลังจุติจักขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและรูปายยตนะก็จักดับปฏิรูปายยตนะของบุคคลใดละถึงอนุจักขายยตนะของบุคคลใดกำลังดับมนายยตนาธรรมายยตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังเปรินิพพในปัญจวกรภูม จกขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่ธรรมยตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้มีจักขู่เกิดได้กำลังจุติจะขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและธรรมยตนะก็จักดับปฏิธรรมยตนะของบุคคลใดจักดับจกขายยตนะของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติและบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้กำลังจุติ ธรรมยตนะของบุคคลเหล่านั้นบุคคลผู้มีจักผู้เกิดแต้กำลังจุติธรรมยตนะของบุคคลเหล่านั้นละถึงคานายตนะมูลกะในรอยหกสิบเจ็ดอนุคานายตนะของบุคคลใดกำลังดับรูปายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในอรูปภูมิ แล้วปรินิพานซึ่งกาลังจุติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่รูปายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้มีคานะเกิดแจ้กําลังจุติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและรูปายตนะก็จักดับปฏิรูปลายตนะของบุคคลใดจักดับคานายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัต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 ร้ 170. อเจอนุจากคายยตนะของบุคคลใดกำลังดับละถึงอนุโลมปุขคโลกาตจากคายยตนะมูลกะในร้อยเจ็สิบเอดอนุจากขายตาาขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับโสตายยตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวกักรภูมิ จักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับแต่โสตายาตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้มีจักขู่เกิดแต่กำลังจุติจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับและโสตายาตนะก็จักดับปฏิโสตายาตนะของบุคคลใดในภูมิดจักดับจักขายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิ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 คาในายตณะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังปรินิพพานในกามาวจารภูมิและบุคคลผู้กําลังจุติจากรูปาวจารภูมิจกขายยตณะของบุคลนนาาบบคล เ, เหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับแต่คาในยตณะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้มีจักขูเกิดได้กําลังจุติจากกามาวจรภูมิจกขายยตณะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับ และคานายตนะก็จักดับปฏิคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดและถึงสามวาระในปัจจุบันและอดีตท่านขย่ายให้พิจารณาแล้วฉันใดแม้วาระนี้ก็พึงขย่ายให้พิดาราฉันนั้นอนุจากคานยจตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับรูปายจตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิ บุค the um. คลผ enfin ู้กำลังปรินิพพานในปัญจโวัการภูมิจากขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับแต่รูปายัตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้มีจักขูเกิดไต้กำลังจุติจากขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับและรูปายัตนะก็จักดับปฏติรูปายัตนะของบุคคลใดในภูมใดอนุจากขายัตนะของบุคคลใดในภูมใดกาลังดับ มนายัติณาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังปรินิพพานในปัญจโ ว, วการภูมิจักขายัติณาของบุคคลเหล่า น, นั้นในภูมินั้นกําลังดับแต่มนายัตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้มีจักผุเกิดได้กําลังจุติจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับและมะนายัตนะก็จักดับปฏิมนายัตนะของบุคคลใดในภูมิใด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 ปฏิธรรมยตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับจากขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติและบุคคลผู้มีจักผูกเกิดไม่ได้กําลังจุติธรรมยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่จักขายตนะไม่ใช่กําลังดับบุคคลผู้มีจักผูกเกิดได้กําลังจุติธรรมยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับ และจักขาคยะตนะก็กำลังดับจักขไคยะตนะมูลกะในจบคานายัตนะมูลกะใน1้2เจอนุคานายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับรูปล า, ายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังปรินิพานในกามาวจรภูมิคานายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับ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 บุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังจุติจากฟรามาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปราวจรภูมิรูปรายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นอนุคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับมานายตนะธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จากดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังปรินิพานในฟรามาวจรภูมิ คาณาญตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับแต่ธรรมยัตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้มีคาณะเกิดได้ก็หนอยจุติคานาญตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับและธรรมยัตนะก็จักดับปาฏิธรรมยัตนะของบุคคลใดในภูมิใดละถึงรูปายัตนะมูลกะในร้อยเจ็ดสิบสามอนุ รูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับมานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจวโวการภูมิและบุคคลผู้กําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับแต่มณัยตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้กําลังจุติจากปัญจวโวการภูมิ รูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับและมานายตนะก็จักดับปฏิมานายตนะของบุคลใใรรบคลใดในภูมิใดอนุรูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับทำมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังปฏินิพพานในปัญจโวการภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับ แต่ธรรมยจตณะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้มีรูปเกิดได้กำลังจุติรูปายจตณะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับและธรรมยจตนะก็จักดับปฏิธรรมยจตณะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับรูปายจตณะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติและบุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กำลังจุติ ธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่รูปลายตนะไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้มีรูปเกิดแต่กำลังจุติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและรูปลายตนะก็กำลังดับมานายตนะมูลกะในร้อยเจ็ดสิบสี่อนุมานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดายกำลังดับธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จับดับใช่ไหม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 บุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติและบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กําลังจุติทำมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่มนายตนะไม่ใช่กําลังดับบุคคลผู้มีจิตเกิดได้กําลังจุติทำมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและมะนายตนะก็กําลังดับปัจจเนกาบุคคลจักคลายตนะูลกะในร้อยเจ็ดสิบห้าอนุ จักขายยตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับโสตายยตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติและบุคคลผู้มีจักขผูเกิดไม่ได้กำลังจุติจักขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่โสตายยตนะไม่ใช่จักไม่ดับประชิมภวิวกขาบุคคลในอรูปภูมิจักรายยตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและโสตายยตนะก็ไม่ใช่จักดับ ปฏิโสตายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจากขายตนะของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิและบุคคลเหล่าใดจะอุบัติในอรูปภูมิและปรินิพานซึ่งกําลังจุติโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่จากขายตนะไม่ใช่ไม่กําลังดับปัิมภวิกระบุคคลในอรูปภูมิ สูตายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและจักขายายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับอนุจักขายาตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับคานายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติและบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้กำลังจุติจักขายาตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่คานายตนะไม่ใช่จักไม่ดับ ประชิมพะวิกกะบุคคลผู้กำลังอุบัติในรูปา ว, วจรภูมิและประชิมพะวิกกะบุคคลในรูปภูมิจากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและคานายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิคานายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจากขาย ต, ตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังปริน ok ิพานในปัญจวการภูมิ และบุคคลเหล่าใดจกเกิดในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและวปริญพาณซึ่งกําลังจุติค่านายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่จักขายตนะไม่ใช่ไม่กําลังดับประชิมพวิกรบุคคลผู้กําลังอุบัติในรูปาวจรภูมิ I และประชิมพวิกรบุคคล ใ, ในอรูปภูมิค่านายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่ใชจักดับและจักขายตนะก็ไม่ใช่กําลังดับอนุ จักไายัตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับรูปายัตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติและบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้กำลังจุติจักไายัตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช yeah. ่กำลังดับแต่รูปายัตนะไม่ใช่จักไม่ดับปัิมพเวกกะบุคคลในรูปภูมิจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและรูปายัตนะก็ไม่ใช่จักดับ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 รูปยายตนะของบุคคลเห abb, ลาา่นานั้นไม่ใช่จักดับและจักขายยตนะก็ไม่ใช่กำลังดับอานุจักขายยตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับมานายตนะธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติและบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้กำลังจุติจักขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จักไม่ดับ บุคคลผู้กำลังปริน pues right, ิพพานในรูปภูมิจากขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและธรรมยตนะก็ไม่ใช่จักไม่ดับปฏิธรรมยตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจากขายยตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิธรรมยตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่จากขายยตนะไม่ใช่เมื่อกำลังดับ บุคคลผู้กำลังเปริ ย, รปรยิพานในอรูปภูมิทำมายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและจักขายนตนะก็ไม่ใช่กำลังดับร้ออ น, นุคานายนตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับรูปายนตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติและบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังจุติคานายนตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับ แต่รูปายตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพานในรูปาวจรภูมิและปชิมพววกะบุคคลในอรูปภูมิคาในายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและรูปายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิรูปายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับคาในายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กาลังปรินิพานในกาาวจรภูมิ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 บุคคลผู้กำลังปรินิพพานในรูปภูมิธรรมยตนะไม่ใช่จักดับและรูปายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับร้อเจ็ดสิบอนุมนายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับธรรมยตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักรรดับใช่ไหมวิจักดับปฏิธรรมยตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับมนายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิ กำลังดับปัจจเนีกะโอกาสจะคลายยตนาโมลกะในร้อเจ็ดสอนุจะคลายยตนาในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับละถึงปัจจเนียกะปุคะโอกาสจะคลายยตนาโมลกะในร้อแปสอนุจะคลายยตนาของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับ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 และโสตายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิโสตายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับจักขายตนะของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่จักขายตนะไม่ใช่มีกำลังดับบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตาภูมิและอรูปภูมิ โสวายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและจักขายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับอนุจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับขานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิและบุคคลผู้มีจักโผล่เกิดไม่ได้กำลังจุติจากกามาวจรภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับ คานายทะนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กําลังอุบัติในรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตาภูมิและอรูปภูมิจากขายทะน้าของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับและคานายทะนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิคานายทะนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับจากขายทะนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิ บุคคลผู้กําลังปัินิภานในกามปวจรภูมิและบุคคลผู้กําลังจุติจากโรปาวจรภูมิคานายัตนะของบุคคล น, นั้นในภูมิ น, นั้นไม่ใช่จักดับแต่จักขายัตตนะไม่ใช่ไม่กําลังดับบุคคลผู้กําลังอุบัติในโรปาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิและอรูปภูมิคานายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมิ น, นั้นไม่ใช่จักดับและจักขายัตนะก็ไม่ใช่กําลังดับอนุ จากใครยตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับรูปายยตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจะวการะภูมิบุคคลผู้มีจักหุเกิดไม่ได้กำลังจุติจากการมวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตาภูมิจากใคายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับแต่รูปายยตนะไม่ใช่จักไม่ดับ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 แต่จักขายาตนะไม่ใช่มีอกำลังดับบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิรูปายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและจักขายาตนะก็ไม่ใช่กำลังดับอนุจักขายาตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับมานายาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิ บุคคลผู้มีจักรครเกิดไม่ได้กำลังจุติจากกามวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิจากขายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับแต่มนายนตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปริญิพานในอรูปภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตาภูมิจากขายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับและมนายนยตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิ มานายตระของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับจากขายตระของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิมานายตระนัของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่จากขายตระไม่ใช่ไม่กำลังดับบุคคลผู้กำลังปรินริพพานในรูปภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตต ภ, ภูมิมานายตระนัของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับ และจักขายัตณะก็ไม่ใช่กำลังดับอนุจักขายัตณะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับธรรมายตณะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติและบุคคลผู้มิจักขูเกิดไม่ได้กำลังจุติจักขายัตณะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับแต่ธรรมายตณะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปริณิพานในอรูปภูมิ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 บุคคลผู้กุมำลังปรินิพานในอรูปภูมิธรรมยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและจักขาถยตนะก็ไม่ใช่กำลังดับจักขาถยตนะมูลกะในโจกขานายตนะมูลกะในร้อแปสิบเอดอนุขานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับรูปลายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิ บุคคลผู้กำลังอุบัติในกางมวจรภูมิบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังจุติจากกางมวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับแต่รูปายตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปริณิพันในรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปภูมิ invisible invisible คานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับ และรูปายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิรูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับคาณายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังปรินิพภารในกลาววจรภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่คาณายตนะไม่ใช่เมื่อกำลังดับบุคคลผู้กำลังปริริพานในรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัตอยู่ในอรูปภูมิ รูปายตระของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและขานายตระก็ไม่ใช่กำลังดับอนุขานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับมน า, นายตระเนครองบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในกาวาจรภูมิบุคคลผู้มีขานะเกิดไม่ได้กำลังจุติจากราวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจารภูมิและอรูปาวจารภูมิ คานายตะณะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับแต่มานายตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กําลังปรินิพพานในปรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับและมานายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิมานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับ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 แต่านายตะะไม่ใช่เมื่อกำลังดับบุคคลผู้กำลังปริพานในรูปราวจรภูมิและอรูปราวจรภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากดับและคานายตนณะก็ไม่ใช่กำลังดับคานายตนะมูลกะในจบรูปายตะณะมูลกระในร้อปดอนุรูปายตนณ ะ, ะ, ะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับ มนายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการาภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิรูปายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับแต่มนายัตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กําลังปรินิพานในรูปภูมิและบุคคลผู้กําลังอุบัติในอสัญญาสัตภูมิรูปายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับ และมานายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิมานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับรูปายตนะของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังปริญิพานในปัญจะ ว, วการภูมและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอ ส, สัญญัตตภูมซึ่งกำลังจุติมานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่รูปายตนะไม่ใช่เม่กำลังดับ บุคคลผู้กําลังปริ่นิพานในอรูปภูมิและบุคคลผู้กําลังอุบัติในอสัญญัตตภูมิมานายจตณะของบุคคลเหล่านั้นในภูมิ น, นั้นไม่ใช่จักดับและรูปายจตณะก็ไม่ใช่กําลังดับอนุรูปายจตณะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังดับธรรมายจตณะของบุคคลนั้นในภูมิ น, นั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติและบุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กําลังจุติ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 มันายาตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช um hmm ่กำลัง ok ดับธรรมยตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจักดับปฏิธรรมยตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับมันายาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิกำลังดับ